พิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่างๆมีผมขนเป็นต้น 5. ้าทาตุบบพิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุหนวสีวิธีกา บ, บัพิจารณาร่างกายที่เป็นศพมีลักษณะต่างๆเก้าอย่างการพิจารณาเวทนา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 จิตปราศจากโมหะ 7. จิตหดหู 8. จิตฟุ้งร้าน 9. จิตใหญ่คือจิตในฌาน 10. จิตไม่ใหญ่คือจิตที่ไม่ถึงฌาน 11. อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าส2องจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 13. จิตตั้งมั่น 14. จิตไม่ตั้งมั่น